ได้พายกันน้ำเสการพระรัตไตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำองค์จิตให้มั่นกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเว้าลายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเว้นลายให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไว้ลายให้ใจเข้ายาวหรืสั้น ให้ใจออกยาวแลือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทางนี้เป็นการควบคุมสติสัมัชัญญะติด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสําคัญอยู่ว่าคือหนึ่งศีลบริสุทธิ์ธรรมะศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการดูสองวิญญาณควรคุ้มกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทําอะไรอยู่และกายโคตรคุ้มกาใจกําลังใจก็ควรจะให้ชัจิตทรงอยู่ในได้เขาโกศตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกําหนดสติสมัชยยะ ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเศ่้าหมองพยายามทำลายเหตุที่เทำให้สิ่งขาดหรืบกพร่องแลือเศร้าหมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอารมณ์ข้อศีลควบคุมศีลได้ปกติอย่างนี้เที่เรามีสมาธิในด้านศีลารูสติกรรมฐาน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 นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเขา้าภาว น, นาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโททรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จงกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อพู้สร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทำใหม่ใช้เวลาโกวคกลงกำลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ ประมาณวาระต่อสามนาทีห ik ้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าใดดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ม่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิกปฏิการเรียบจุนนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคําว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรหมโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือนักปฏิบัติเก่าก็ต้องทําสม่ําเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบในการคุมอารมณ์ล ม, ลมหายใจเขาออกมีความสําคัญแม่ตาองสมเด็จพระกัลวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัวรงทรดตรัสว่สวาสารีพุตธะดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เราเองก็เป็นผู้ ม, มากผู้ได้ลาปาลสติ หมายความว่าพระองค์เองเป็นผู้ไดเจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเมื่อกายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิต <c oughs> ทรงฌานได้แน่นสนิทแล้วสามารถนำร่ากายสังขารเพื่อทุกขเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสําคัญสำ <c oughs> หลักต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อและกรรมฐานคืนที่แล้ว เมื่อคืนนี้แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไวถานนาา้ถึงพระนาคามีเพียงเล็กน้อยสำหรับพระนาค า, ามีนีต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกว่าอธิจิตสิกขาด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ตน้นผ่านพระสูนสนดาบันผ่านพระสิทธาคามี เรื่องการที่จะก้าวไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นขอไม่นักเพราะว่าเราปรับรุงกำลังใจข้ามาเป็นลำดับไม่ใช่ตักก็ยังโศกขึ้นมาถึงครวบรักพระอนาคามีเลยทีเดียวกรนี้สำหรับพระอนาคามีก็มีสติบัคงคอเรียกว่าเมธิติติษขามีสภาบาทยิ่งแต่ว่าใช้ปัญญาไปลากลาง สำหรับเาืนองนั ส, สนานนี่ไม่หนักอยู่ในเกณฑ์ปลายกลางอันดับแรกกับพิจารณาขันห้าคือร่างกายในก็รูปเปทนาสัญญาสังขารอินญาที่เรียกมาร่างกายของเรารวมความมาร่างกายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญา็นการพิจรารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกขนทองคืนไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมบัตาไป <c oughs> มีการแช้ปัญญาพิจารณาก็พิคิร น, นาดูว่าร่างกายที่เราบอกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นยังไงถ้ามันร่างกายแปลนิจังมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็เป็นหน้าที่ที่บายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นเเก่งคนแก น, น่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญาในเวลานี้มันน้อยไม่ใช่จะมันนั่งไล่ดบี้ยกัาทุกอย่างมันดูที่มันทำไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดำมันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสั้นฟันดีๆมันก็โยกก็โครงก็ป่วยก็เสียวดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยก็พี่กับเปล่าผอมใส่ก็สุดโซ่ เร้าเรีย ว, วแรงเคยดีก็สุดส่งไปความจําสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจําดีแก่ก็เริ่มเลือนอนี่สนแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่าวันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่เลยเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ ไ, มได้ใจมันก็เป็นทุกข์ เป็นอนุวัตร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี้เราก็มาหน่าทุก์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากปัญหาคือความอยากอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากทหมันได้ก็มาเนื้อร่างกายเรามีกาลัง้อยเป็นคนผอมต้องอยากกวน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสงความปรารถนาแล้วมันไม่ผอมสงความปรารถนามันก็ลําบากใจทางที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมันแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดโทรงก็เชิญสุดโทรงมันจะป่วยให้ไม่สบายก็ต่างใจมันไม่เร่งเร็วของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายไปทางนี้เราไม่ต้องการมันอีกไว้เจ้านี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนำมาแห่งความทุกข์เราไม่ควรปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้คําว่าพระนิพพานนิพพานจิเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น มีการถึงเรือง น, นาคามีจะยึดนิัญา์เป็นอารมณ์มันก็เป็นของ ง, ง่ายๆพระมาชฌิมมาแล้วแล้วทำปัญญาให้เหนือขึ้นไปอีกนอกจากเจรนาวิปัสนาญาในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระนาคามีเนะี่ะต้องตัดการมฉันทะในเด็ดขาดความรู้สึกในเขตไม่มี มีเป็นผู้มีอสุจิอนันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสัมผัสซึ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในตึกเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดานนาขามีต้องมีอมารงณ์อย่างนี้ที่การที่ทำให้มีอมารมณ์อย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดีย่ยไปถึงพระสิกิทาคามีเราเริ่มต้นสมัแล้วงั้นท้งความรู้สึกประเภทนี้เบาๆาลงไปการผ่านาสกิทาคามีเนี่ยมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกว่าให้มันเตียนลงไปเท่านั้นนี่วิธีเบาทำยังไงวิธีเรี๋ยกว่าให้เตี้ยนทยังไงกว่าให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวานา นี่เรื่องสมถะภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังใช้อยู่ดจะไปนั่งฟังผู้บรรดาทางหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้งวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้อะไรคือสมถะไม่ว่าอะไรคือวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรดยการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลที่การจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้ส ก, กายทิฏฐิส ก, กายทิฏฐิเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้มันเป็นดอาการสามทิศสอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแทงทิ ที่เราเรียกขึ้นมากายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ตอดที่บ้างเป็นม้ามที่บ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสมบัตความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสารที่สองส่วนในมิมน่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นส่วนการเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เขามาต่อกันเขามานี่ ปัจสมศรีเขาเป็นเรืร่างมันก็จีว่าไม่ใช่ข้อแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการสาว่วสนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันทุดโทรมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมาทรุดโทรมอาการทํำลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่ว ย, ยไข้มาสบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มเป็นนี่เราไปมองดูอีกทีว่าไอ้ ก, การร่างกายที่แบ่งออกไปส า, ามหรืส า, ามส่วนอันนี้สามหรืสองก็ตา่างถ้าเติมมัตะเกมะมัตเลงค้างมันสมองเข้าไปอิทธ้าเราแบ่งเป็นสามสามว่าจริงไหนบ้างมันสะอาด เในตอนไหนบ้างมาสะอาดทีม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็ไม่สภาพเหมือนซาศกศพนี่เป็นระบวกกรรมฐานสองอย่างแทงสมถะและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลือ ง, องน้ำหนองไหลเหม่งกลิ่นเหม่งลุ้ง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 เป็นดวงจิตที่เข้ามาเสี่ยงสถิตอยู่ในร่างกายเป็นตัวควบคุมเข้าไว้สั่งให้บรรดาเวทศาสตรทั้งหลายควบคุมสิ่งสุกภทั้งหลายลาเ ห, หล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายอย็น เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุาน้ํากับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ํำลายเป็นตัวธาตุน้ำที่ของที่เข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละไอ้ดามก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้ำละลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟเข้าไปเครื่องอบอุ่นให้ดินกับน้ํามีการทรงตัวพราะกระทับกระคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปแต่ขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสําหรับพัดเลี้ยงไฟให้ทรงตัวมี่พอตายวปแล้วธัดุไฟธาตุลมหายไปเดี๋ยวถ้าธาตดินธาตุน้าทึ่เป็นสติวกัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินเสหลายตัวไม่สามารถจะต้านทานคนได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นผลลิตสุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองสองเป็นหนึกขึ้นออกมาจากกายเฮ่ทําไมมันจึงเหม่งจะเพราะของใ้ร่างกายเราทั้งหมดจะร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายได้จะเป็นานานได้ภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรปกทั้งหมดคือว่าน้ําลายของเรายามปกติแล้วกลืนกินได้อมอยู่ในปากได้แต่ว่าเขาพูดออกมาจากปากไม่ต้องมือของเราเองก็ไม่กลา้าที่จะไปแตะน้าลายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าน้ําลายสกปรปกแล้วใครจะถามว่าน้าลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายเขาเองเนื้ําำลายที่มันมาจากภายในก็ร่างกายเขาเองน้ำําลายสะอาดหรือว่าสุขศพนี่ส่วนหนึ่งที่เราหลังเกลียดกันมากก็คือจาระร ภ, าภาัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายถ้าเราหลังเกียดจะว่าจะมูกเขาไปแตะเลยล่าก็ไม่อยากจะหันเขามองเพราะมันมีสภาพอย่างไง นี่นื้อก็ดูว่ามันจะรับปัสสาวะที่มันหลังอะไรแล้วมันจะได้กายนั้นมันมาจากไหนแหละมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เป็นบริสุทธิ่าสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขาเนคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสักรากายรากรตายลูสตินี้ งาสุภกรรมฐานนี้สําหรับพระอนาคามีต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับส ก, กายยะทิฏฐิพิจารณาให้จิตสรงตัวไม่ไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปล่ง น, นะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทําให้มีจิตเสมอกันเห็นเสื้อผต่างความเป็นจริงมองเห็นคนพัก ให้เห็นทะลุเข้าไปที่ภายในเลยจิตนึกถึงเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขอกลุกและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพื่อความหนาวความร้อนความหิวความระผายพวกต้องการป่วยไข้ไม่สบายการสงดสงของร่างกายมีความตราธนาไม่สมหวังและมีความตายเป็นที่สุด ทุกประกอบผิดกายงานทุกอย่างนี่มันทุกทั้งหมดมันเป็นตัวทุกนอกจากทุกแลว้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสอีกแต่นี้เราจะพึงปรา ร, า, ารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจที่เจริญนาคนมาวนไป อ, อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้ผิดไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงไม่ใช่นิสเรไเรนนิสจริงจริงนิึงตัวเราทุกวัติแตเห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเราเนี่มันสะอาดตรงไหนเนอะจริงที่ีเราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับผ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักก็ผิวมันสวยเป็นงามมันสดใันสวยแ ต, ววยต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆน่ยสะอาดที่สกขภกเราก็อาบน้ำมาแล้วเปล่าต้องใช้สบู่ ม, มาชำระล้างล่างกายมาล้ปล่าที่เราอาบ น, น, น้ำล้างทาไมอาบน้รู้สึกวรรา่าร่างกายมันสุขภกก็จึงอาบ อาจด้านพระแรงกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทําีกไหมดีไม่ดีถ้าดูตอนแบบนี้อาจจะว่าเขาต้องฝันสองครังสามครั้งก็ได้ก็ เ, เหนื่อมันซึมออกมามทำให้สุขภพเออเหนื่อนมันอยู่ที่ไหนเออมันมาเจอร่างกายหรือมันมาจากที่อืนก็ไปเออเหือมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาที่เจอรายให้เห็นค่อยคยิด ให้คอยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกหกโมทิตตนเองให้เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบเจอให้จิตสงบที่ร่างกายของคนในะสัตว์เต็มบริ้วยความสกปรกจริงๆในร่างกายของคนในะสัตว์มีทุกจริงๆ เรื่ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอนิสตุไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายของมีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะสแสดงว่าเราเป็จ้ขอร่างกายจริงจโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้เมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันด้วยกุโลกีวิสัยเพประโยชน์อะไร เราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วเป็นได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกทุกทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโศงทุกทั้งภาระที่ต้องอรับต้ะทบทางต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากจอยู่ตลอดเวลานีเป็นอันว่าร่างกายที่มันทุกร่างกายคนอื่นก็ทุก ร่างกายเราสกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อขขร่างกายเขาบอกคนอื่นสกปรกเราควรฝายธนามันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆพิเ จ, จรนาจึงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขตารมณ์โดยมียอมรู้สึกจุดเสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายเขาบอกคนอื่นก็สกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสม ok ัยร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดเป็นปัจจยร่างกายของบุคคลอื่นในที่สุดก็นาจจยจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายแค่สองฝ่ายเท่เราเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเทอประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกเราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันสุดีกว่าเอาจิดตั้งใจจะพาะนานาวางสังขาขนกับร่างกายเสียบลงไปพอดีพานอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์เพรกะอานาคามีเบื้องต้นเต็งข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ต่อนนี้ไปรทมรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้สงศ์ทำหงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำภาว น, นานและพิจารณาตามตรมปัญยายใสที่กว่าจะได้ยินเส้งญาณบอกเวลา